50 languages. 66. x t i x a s h a n a a แสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งสัมพันธ์วัชกปรณานุเดิฉันของดิฉันแม ดิฉันหากุญแจของดิฉันไม่พบเมนูอัปนิจับบี้ไม่มิลรีเดิฉันหาตั๋วรถของดิฉันไม่พบเมนูอัปนิติ๊กเก็ตไมรคุณของคุณตูมเท่าตาเรียร คุณหากุญแจของคุณเจอไหม कितेनु आपनी चाबी मिल गई है? คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหม कितेनु आपनी टिकट मिल गई है? เขาของเขาอ h us da, us di, us de คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหนคุณทราบไหมว่าตी๋วร कि ฟของเขาอยู่ที่เธอของเธอโอ้อุสดาอุสดีอุสดีเงินของเธอหายอ स द ดี ैसे च ถูกขโมยไป ล่าบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วยเทอยัสดาเครดิตการ์ดวีชูรีฮ์ฮยแกเราของเราอาซีสาดะซาดีสาดคุณปู่คุณตาของเราไม่สบายซาดเดาดาจี บ, บมารหันคุณย่าคุณยาย ของเราสุขภาพดีสาดีดัตीิดีส ह ขภาจังี้คุณหนูของหนูทุสีซาร์เอทุฮาดะ ह ุฮาดีทุฮาเดเด็กๆคุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหนบัจยี่โอทุฮาเดพิตาจิคิเทหันเด็กๆ คุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหนบัจยองทุกาทิย์มาตาจีคิดเหตฮะน